บุ <Book> two. <56. S 3> ๊ก2ห้าสิบหกหมาสิานหกความรู้สึกเปราสะอันมีความรู้สึกต้องการอยากเคอิจินันเรามีความรู้สึก เราต้องการเราอยากเรา i มรูกเรไม่อเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยาก kami ีความ m ูก k รอง n กลัวรู้ต ผมกลัว saya merasa กกลัวผมไม่กลัว <S <s t i d ไม่ e r a s a กกลัวมีเวลา punya w เ k t u เขามีเวลา punya w เวลา เขาไม่มีเวลาเธ a ไม่เบื่อเธอ a ูส้สเบื่อเธอเบื่อเธอไม่เบื่อเธอไม่เบื่อ หิว ร, าาารู้สชาล่าคุณหิวไหม apakah kalian merasa lapar คุณไม่หิวหรือ apakah kalian tidak merasa lapar กระหายน้ํา รู้สึา u s พวกเขากระหายน้ำอุณรู้สึกหา u s พวกเขาไม่กระหายน้ำ e k a t i า a k ัก r a หายน้ำ